จะตั้งอยู่ที่กายกรรมปจีกรรมและมโนกรรมนี่แหละเขาใจยังนั้นต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งประชุมอยู่ในขันนี้แหละทีนี้เราจะไปอินทรีย์สังวรก่อนเดี๋ยวไม่มีปฏิโมกได้ไหมไม่ได้กับหัวกับหางอาหางขึ้นข้างบนหัวลงข้างล่างไม่ใช่หางขอไปเอาขาขึ้นบนนี <c oughs> ามาพูดอีกเรื่อยเลย <c oughs> พูดไปพูดมาหางขึ้นบนเนื้อโอ้ขาขึ้นยองบนเอยู่แหัวลงข้างล่างเอ๊ะเมื่อกี้มาเจนาหรือเปล่าไม่ได้เจตนานี่เป็นบาปการกระทำและพูดบาปไม่ดีในจริงเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเห็นไม่ชีนั่งหลาบอยู่เอ๊ะอุบายก็ทําไงจะให้จะให้ฟื้นขึ้นมาฟังธรรมนีน่ก็เลยเอาหางขึ้นบนเลยดิท่านี้โอ้ท่านี้ งเจตนาต้องการจะดึงออกจากทีนามิทัฮะเจตนะานเจตนาะตนะ <laughs> ้องการจะให้ออกอย่างฉะนั้นตรงนี้ก็คือพระมหาโมคคลานะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเอางี้พระอสชิพระอส ช, ชีนะท่านมีกายสมาจารวจีสมาจารระดับสูงระดับสูงแล้วไม่พอนะอินทรียสังวรจะชัดอินทรีสังวรชัดยังไม่พอสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดอีกชัดมากเลย ทำไมภาษาาริบุตรจริงศรัทธาพระอสัชิีตอนนั้นท่านเป็นอุปติสัพทำไมพระสัชชีเวลาท่านเดินเนี่ยสติสัมบัติท่านสำรวมอินรีมากแล้วก็ปฏิโมกสังวรศีลท่านบริบูรณ์มากอินทรีย์สังวรก็มีการสํารวมระวังแล้วไม่พอนะสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดในการก้าวไปถอยกลับสติสัมปชัญญะก็ดูแลในการคู่เข้าละเอียดออกในการแลในการเหลียว ในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทรงภาสังคติบาทแลดิยนเห็นไหมในการยืนในการเดินในการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดกันนี้ท่านดูโอ้โหสติสัพพิชญาถัดดูปอบเลยท่านคิดอย่างเดียวท่านคนนี้ต้องได้นิพพานแน่นอนไม่ใช่ปกติคนธรรมดาแล้วคนมีปัญญานี่ก็มองออกแต่ถ้าอย่างมองอย่างเราท่านทั้งหลายก็ท่านก็ดาออกเลยท่านคนมีปัญญาเนี่ย โอ้ท่านพวกนี้บริโภคกามแน่นอนเนี่ยถ้าเคยรู้ออกใช่ไหมโอ้เนี่ยถ้านี่ยติดข้องในกรรมคุณแน่นอนเนี่ยหรือคนนี้ใจน้อมออกกนี่ยขม้าแรงมากเนี่ยข้อมองออกนี่เป็นอย่างนี้คนมีปรรัญญาก็ยิงมองออกนะตรงนี้ก็คือซึ่งเป็นไปเด้า์หน้าถึงการไปสู่ที่รับใช้พระรัตนตรัยวันละสองสามครั้งมารยาททางทางกายกรรมต่างๆอันนี้สังเกตได้เป็นกายกรรมต่างๆก็จะน้อมน้อมไป่เนี่ย น้อเข้าหาคําสอนตลอดว่าจีสมาจารก็คือไม่พึงเสพเหมือนอย่างพระเทวทัศนเป็นต้นที่รั้นวาจาเรว่อหน้าถึงการส่งนายขมังธนูเป็นต้นไปใช่มเอา้าเ่วเทวทัศนบอกนายขมังธนูบอกให้ไปฆ่าใครเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไงอีกบอกให้ขึ้นไปกินก้อนหินก้อนหินใช่ไหมเออต้นเองอใช่ไหมกินก้อนหินด้วยอย่างเงี้ยนั่นเป็นกายสมาจารที่มีคนเสพอย่างเราไปสั่งคนให้ไปทําชั่วทั้งหลายเป็นวจีสมาจารควรเสพไหมยอมมงกุ ล้วอธิบายบอกว่าพอ่อลูกก็ลูกก็บอกว่าแหมไปที่ไปที่ทำงานมามีคนก็ว่าเออต่อไปก็หัดว่าเขาโต้อตอบด้วยสิอันนี้เป็นว่าจีสมาชิกที่ควรเจ็บไหมไม่ควรเจ็บเง็นไหมนี่มีอย่างเงี้อยอย่างนี้เป็นต้นก็ก็สังเกตดูหรือกรณีที่เราเป็นอุบาสกบาศิการเราควรจะเาเจะจอย่างไงอย่างไรควรสิ บอกเขาให้ตั้งมันอยู่ในศีลในทาํามนี่สาคัญให้เวจีสมาตาการสมราธานก็ต้องแบบเพื่อให้เหมาะสมไปด้วยนี่เป็นมรารยาททางวาจาเหมือนพระธรรมเสนาวดีสาริบุตรอยู่เป็นพระโมคคัลลานะที่เป็นไวรเดิมหน้าของการประกาศคุณของพระรัตนตรยัยใช่ไหมถามว่าภาษาดีบุตรประกาศคุณพระเจ้ารุนแรงไหมมากไหมโอ้ยมากเลยเยอะให้สังเกตดูนะภาษาดิบุตรแสดงพระตะขุนนีพิสดารม้กพิสดารขนาดไหนแสดงให้แม่ชนบารู้เป็นพระโสดาบาัน เราเคยกล่าวพุทธคุณให้ใครบรัลุอะไรได้ออมาไม่ได้เลยวิจีสมาจารณามายู่ตนเองก็ยังเสียหายอยู่ใช่ไหมเอาไปพรฒนาสิพัฒนาคุณบริจาเนี่วิจีสมาจารนี่เสพเยอะๆไปถึงก็สวดมนต์บ่อยๆก็คิดยังไงกายสมาจารที่ควรเสพก็นั่นแหละน้องก็หาพระราชนารัยไปไหว้คนที่เมื่อกี้ก่อนจะจะมาจะมามาไปที่ไหนไปที่นันพิวิธภัณฑ์ ก็ไปนั่งกรรมาฐานไปสวดมนต์หรือไม่ทำกายสมาจารย์วิจีปสมาจารที่ควเรเซ็ตแล้วก็ไปตรึกใหรควรเสร็จพอได้เวลาก็ค่อยแวะมาอย่างเงี้ยถ้ามาก็เตรียมมาเรื่อยมาทุกครั้งทุกครั้งก็พยายามอยากจะไปเร็วๆอยากจะไปสักการะบูชาพระาธาตุพระบระมสารี ร, ารดชธาตุเจดีย์ต่างๆอะไรเงี้ยมาก็ น, น้อมต้องการขัดเกลาร์เองตลอดนะ เส้นทางนี้มาพิจะะารณาไม่ว่าเส้นทางเดินไปที่ไห น, นจะต้องทําบุญให้เกิดขึ้นตอลอดเวลาที่พี่เป็นไปตึกนี้ตลอดทำไมต้องทําอย่างนั้ น, นคิดไปนะที่ไหนมันจะได้เจริญตาเจริญใจก็จ ย, ยังเช็นป้าคนนี้บุญเราเคยเกิดบุญเราเคยเกิดไปที่ไหนบุญเต็มไปหมดให้เป็นงี้ยพอไปในีน่โอ้โหตรงนี้เราก็เคยโกรธเขาเนี่ยตรงนี้เคยทําบาปเนี่ยนี่เคยเคยฆ่าสัตว์เนี่ย โอ้ยเส้นทางที่เรานั่งรถเราโกรธตั้งแต่นี้ยันนู้นเลยเดือดสิบกิโลยี่สิบกิโลเลยถ้ามองไว้แบบเนี้เออชาวมองเลยแม้เราเดินทางกันบ่อยๆอย่างยองสุพรรณหงษ์ใช่ไหมนั่นแหละเส้นทางให้เป็นไปกับบุญไปที่ไหนทําบุญนะเพื่อให้บุญมันเกิดได้ลึกลึกได้มันต้องอย่างนั้นอะไรที่เป็นบุญนะ่ะตึกไปใครรวนไปโอ้โหทางสายนี้เราเจริญพุทธคุณตั้งแต่ต้นเย็นตลอดสายเลยนี่ นึกทีไรมันชื่นใจไว้อะไรเงี้ยโอ้โหทางสายนี้เราคิดเรื่องบาปตลอดสายเลยเงี้ยเสียเลยจริงไห ม, ไ ห, มหมายไปที่ทํางานตรงนี้เราโห่บาปเกิดมากเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าเจอดเย็นเลยว่างั้นเสียไหเงี้ยเสียเลยสแสวงหาปิดภาพตรงนี้ตรงนี้ก็คือเศรษการสแสวงหาเหมือนอย่างภาษารีบุตรเป็นต้นที่ท่านสา ม, มารถที่จะ พโมคาราณ์เป็นต้นเหไรเนี่ยนะที่สแสวงหาในการสแสวงหาที่ประเสริฐเท่านั้นภิกษุ ป, ปฏิบัติอย่างนี้แหละเรียกว่าเอวังปฏิปโนโขโเป็นต้นเหไรเนี้ยนะจอมเทพคือเท้าส ก, กะผู้ละมรารยาททางกายทางวาจาสแสวงหาสิ่งที่ไม่พึงเสพปฏิบัติเพื่อความเต็มที่แห่งมรารยาททางกายทางวาจาและการสแสวงหาที่พึงเสพอย่างนี้ที่ว่ามานี้แล้วย่อมเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบตัติต่อการสํารวมศีลที่สูงสุดและเจริญที่สุดเขาเรียกว่าปฏิโมกขงวรศีล พระผู้มีพาะเจ้าตรัสข้อบริบัติอันเป็นภาคแรกแห่งการดําเนินไปสู่การสิ้นอาสวัสดด้วยประการอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเริ่มเข้าเดินสู่สิกขาแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่เดินเข้าเสือศึกษานะแต่พอพูดถึงเรื่องปฏิโมสังวรศีนเรื่องกายสม า, าจารเวจีสม า, าจารปริยสนาคือการแสวงหาละสิ่งที่ไม่ประเสริฐน้อมเข้าหาสิ่งที่ประเสริฐแสดงพระพุทธเจ้านี้เริ่มกล่าวถึงเรื่องของการ ข้อปฏิบัติอันเป็นภาคแรกแห่งการดําเนินไปสู่การสิ้นอาสวะอย่างนี้เขาเรียกข้อปฏิบัติเดินนี่ยังเดินแล้วอันนี้เป็นศึกขาสามข้อแรกไหมข้อแรกเลยใช่ไหมปฏิโมกข์นี่เป็นข้อแรกเป็นหัวใจไหมสําคัญไหมถ้าปฏิโมกสังวรศีนไม่มีศึกษาพระธรรมไปเสียหายไหมเสียหายเลยนะถ้าศึกษาพระธรรมก็ต้องกลับไปเกือ้อกูลปฏิโมกข์แต่พออย่างนี้ถ้าเกิดศรัทธาแล้วก็เป็นน้อมดึงปฏิโมกเข้าสู่ในจิต ดึงเข้ามาสู่กระแสขันนะพยาอย่างพอเข้าใจพระธรรมแล้วไปดึงขึ้นมาให้เกิดให้ได้ปฏิโมกสงวรสีนต้องเกิดในชีวิตจริงไหมต้องเกิดในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ไปสมาทานต้องให้เกิดและต้องเอามาให้เกิดบ่อยๆไหมเกิดตลอดไหมสามารถเดินอยู่ในกุศลศีลตลอดถ้ากุศลศีลเกิดตลอดนี้จะโกรธไหมจะหลงไหมทีหน้ามิถ้าจะเข้าข้อมงไหม นี่เริ่มจะเข้าใจแล้วยังแต่เนี้ยปฏิโมกขเริ่มเดินนะเนาะมันจะเดินเดินมันอย่างงี้ยอมรอบมันไม่ใช่สักแต่ว่าเดินโดยไม่มีเลยเนี่ยไม่ใช่มันเกิดจริงๆนะมันเกิดจริงๆเลยนะนี่เป็นไปอย่างนี้อภการต่อมาก็คือ all, อินเดียสังวรเนาะในด้านเขาอินเดียสังวรเนี่ยเนี่ยมาจะสรุปๆเลยนะว่าโดยการสำรวมมีสี่ข้าแต่พระองค์พุนเดระทุ ก็พิสูจปฏิบัติอย่างไรจรึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพร่อการสรับมบูรณ์ีสีคือทางตาหูจมูกเล่นกายใจพุ้ทีเจ้ากระตัสว่าดูก่อนจอมเทพอธรรมภาพกล่าวว่ารูปที่จะพึงเสพกับรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตานั้นแยกเป็นสองส่วนเนาะที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเอาแล้วท่นี้ท่านแยกแล้วแยกทวารทั้งหกนีนะ่ทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งรูปนี่นะเสียงที่จะพึงรู้แจ้งได้หูก็มีสองอย่างควรเสพและไม่ควรเสพกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ทางจมูก ก็มีสองอย่างควรเสพและไม่ควรเสพราสที่จะพึงรู้แจ้งโดยทางลิ้นก็มีสองอย่างคือควรเสพและไม่ควรเสพโพธิภะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายก็มีสองอย่างคือควรเสพและไม่ควรเสพธรรมารมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจก็แยกเป็นสองคือควรเสพและไม่ควรเสพง่ายไหมท่านสอนพระเจ้าง่ายไหมฟังง่ายปฏิบัติยากไหมไม่ยากหรอกถ้ามีศรัทธาจะปฏิบัติใช่ไหม อินทรสังวรวิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือนี้สงรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดอภิชาและโทมนัสเนะีไม่บาปไม่ให้อะไม่ให้โลภะโทสะโมหะหมุนกระสู่กระแสจิตแค่นี้ทำได้ไหมเออแค่นั้นแหละใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ให้โลภะโทสะโมหะหมุนกระสู่กระแสจิตในขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่ น, ล, นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกแค่เนี้ไม่ยากเลยนอกากแบบนี้นะ อยาให้มันหมุนเข้ามาในใจให้ได้นะปิดให้ได้นะเพราะถามว่าทุกวันนี้เราเนี่ยทางตายังใช้งานอยู่ไหมมีการดูอยู่ไหมโหูยังฟังอยู่ไหมจมูกก็ยังดมกลิ่นนะลิ้นยังกินอาหารอยู่เมื่อกี้ก็กินกันไปเนี่ยนะมันก็ดูดน้าลายกินเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็กายยังสัมผัสเย็นร้อนอยู่ใช่ไหมใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆอยู่สรุปแล้วไม่มีขณะไหนเลยที่เราไม่ใช้ทวารทั้งหกใช่ไหมเราใช้กันตลอดเลยอะ่ะ ทีนี้ก็ทำยังไงอย่าให้โลภะตัสวส <T> า, ามหมุน เ, นเขาา้าสู่กระแสจิตแค่นั้นแหละโยมควรทาได้ไหมทําได้ไหมก็อย่าให้โลภความโลภมันเกิดอย่าให้ความโกรธมันเกิดอย่าให้ความหลงมันเกิดในใจปิดไม่บาปมันไหลเข้ามาแค่นั้นแหละรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ไหลเข้ามาปกติใช่ไหมมันปิดไม่ได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ไม่ใช่เราไม่แทงตาต e, ัวเองใช่ไหมเอาเหล็กแหลมแทงตาได้ไหม subway. ใช่ข้อปฏิบัติไหมไม่ใช่นะเอาเหล็กแทงเข้าไปในหูก็ไม่ใช่อีก ตัดจมูกออกก็ไม่ใช่ตัดลิ้นออกก็ไม่ใช่ใช่ไหมลอกผิวกายออกทั้งหมดก็ไม่ใช่พวักหัวใจยืน่นทิ้งไปก็ไม่ได้สรุปก็คือว่าท่านไม่ให้โลภะทัวระโมหบุนก็สุจิตปิดบาปในใจเสียแล้วก็ทํากิจไปตามสถานนะเขาจะปิดยังไงเตอนนี้จะปิดยังไ ง, ง, <c oughs> ง, ไงทีนี้พระพุทธเจ้ า, าก็แสดงบอกว่าพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าท้าสะกัด ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมทราบเนื้อความเม่งพาะสิทธิที่ตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าเอาละพระพุทธเจ้าแสดงยอด่อเท้าเธอขยายน่าชื่นใจหัหยใช่ไหมเล้วออมาแสดงยอด่อขยายกระถางเลยยอมขยาย ไปบมดอะไางเลยอยอมมงคลก่อนจะไปเครือ่องหนึ่งเลยนะยอมเสบานห้องก็ไปมุกบมนึงแย่ทำไมไม่เหมือนกันเลยเนะี่ยสลกไม่ลงเลยท้าวเธอเขาบอกว่าเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปานนั้นอกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปานนั้นไม่ควรเสืนี่ท้าวเธอรู้เลยใช่ไหมท้าวสกาอธิบายชัดเลยตามพุทธเจ้าเนี้ยเนี่ย เมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปานนั้นอกุศลธรรมเสื่อมโลภะโทสะโมหะมันหมดหมหมดไปไงแต่กุศลธรรมคือความไม่โลภไม่โกรธและปัญญามันเกิดขึ้นรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยในตาจริงนะควรเสพเอาละสิเีวนี้ถ้าเราไปพิจารณาดูดิรูปบางอย่างนี่เป็นอย่างงั้นจริงๆนะอย่าบางคนลสังเกตด้วูดิไปเพ่งดูรูปบางอย่างนี่กุศลเกิดไหมอกุศลเสื่อมลงเสื่อมลงใช่ไหมแต่บางอย่างไปดูปั๊บแล้วเป็นไง โรคบางอย่างให้ความกำนังมากขึ้นมากขึ้นไหมบางอย่างก็ให้ความโกรธมากขึ้นมากขึ้นไหมความหลงไม่ต้องพูดถึงนะไม่มในการเพ่งไม่มในการพิจารณาเลยมึนเลยดูแล้วมึนเลยนะหนีไปนี่แล้วก็เห็นเยอะแยะหมดแล้วก็อย่าไปเสพประเภทนี้มีค่ารูปเสียงก็เป็นอย่างเดียวกันไหมพอเสพปุ๊บบางทีก็ราคาโทรศัพทโมฮาก็เพิ่มขึ้นเบอร์แล้วก็อย่าไปเสพที่รูปเสียงแบบนั้นนะเนี่ยอ้าวเขาด่ากันโอเป็นหัวของบ้านเมืองเลวเกินเปิดทีวีอะไร มันเสพหมมันเพิ่มโลภะโทสะโม่ะหรือรถโลภาโทสะโมหะมันเพิ่มอีกมันเสพอกไม่ไม่ปิดูว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตเป็นธรรมชาติที่ดูแลยากไหมยากนะฉะนั้นรามัดระวังไว้แล้วถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมีคนสงศารเราไหมไม่มีเอามาเลี้ยงอย่างดีได้ไหมไม่คอยจะเป็นามาไปบินนบาตบินบาตเมื่อเช้าเดินบินนบาต แกยอมจะเลี้ยงคือตอนเช้าก็จะเอาแมวออกมาแต่แกคงไม่ได้ฟังธรรมะที่บ่ายรับหลังเย็นกะโอ้โหแมวเยอะแต่งตัวให้อย่างดี <c oughs> แต่เชือกมัดคอไว้ถามยอมไปมัดคอทำไมเขาบอกไปเขาเที่ยวกเก่งแล้ว่างทีเดี๋ยวก็ ว, กวิ่งออกนอกถนนโดนรถทับเาคือมัดด้วยมัดด้วยกรุณา ถ้า เ, เกิดเป็นสเดชาเก็มัดได้กระนั้นคือสัตว์ทำบุญด้วยมากเจ้าบอกกันมันี่ผ้าจานนี่นอนห้องแอร์ได้นะมาคนนั่งรับบา้รมาาจะไปหัวรอดได้ไหมสะอลใจไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้ ว, แ ล, วแล้วยังบอกนะว่าพาไปหาหมอเช็คร่างกายตรวจสุขภาพตลอด สังสารวัตรน้าเจ็บปวดอีกตัวหนึ่งไปเจอสุนัขตัวใหญ่ๆเขาก็ล่ามเขาไว้ก็ถามยมล่ามทำไมเขาอกเขาเที่ยวติดตัวเมียแล้วไม่ค่อยกลับบ้านอ <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้นอนนอกเอ้นอนข้างนอกทั้นที่บอกว่าบางทีเนี่ยโทษของการที่ไม่มีปฏิโมกสงวรสิเนี่ยไม่มีไม่แสวงหาอย่างไม่ประเสริฐก็อย่างนี้ อภัยทุกขติวิบัติในโลกก็เป็นของได้แก่เธอทั้งหลายผู้เจ้าวางันเนาะก็ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมันไม่มีใครช่วยได้เรื่องนี้นะถ้าว่าปฏิโมกข์ังวานสีไม่มีก็เตรียมตัวเตรียมใจได้เนาะเราจะทําบุญกุศลขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะได้รับความสะดวกอย่างนั้นแหละแต่ข้อจํากัดของอ บ, บัยศาสตร์มันเยอะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีข้อจํากัดมากเวล า, าจะสวยผลของกรรมก็สวยในนิดในนิดเดียวนั่น เพราะว่าเขาใช้ตทารมนะได้แค่สามดวงเดินได้แค่อุเบกขาสันติสองกระสมนสันติแล้วดีไม่สามารถจะใช้มหาวิบากที่เป็นมหาวิบากได้เ ล, เลยข้อจํากัดสูงมากข้อจํากัดในการรับกุศลเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้คุ้นเคยเขาไม่ได้ชอบอะไรเลยนะอาหารดีๆเน่ะที่ส่วนจริงๆเก็น้อมที่จะไปหาอุจรากินเพราะอากุศลแกรรมของเขาไม่แรง ทำให้เขาวิปริตมนนักสกาดไปหมวและมันไม่มีมรสชาติอร่อยสำหรับเขาเลยนะซึ่งผิดกับพวกอาหารที่มันบูดบูดเ น, น, น, น่าเๆทั้งหลายโอ้โหก็ยินดีพี ด, ดามากนี่เป็นอย่างเงี้ยอากุศรกรรมที่มันสั่งสมมาอย่างรุนแรงมล้เกิดความมัวเมาที่เป็นอย่างนั้นเนาะท่านเห็นรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตายตาแล้วก็คุศรธารรมเจริญก็มีควรเสพถ้ากุศรธรรมเจริญก็ควรเสพเสีย ที่พึงรู้แจ้งได้หูเห็นปานใดก็คือว่าถ้ากุศลธรรมเจริญก็ไม่ควรเสพนะถ้ากุศลธรรมก็เจริญก็ควรเสพกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมเสริมไม่ควรเสพแต่ถ้ากุศลธรรมเกิดขึ้นแต่อกุศลธรรมเสื่มก็ควรเสพรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเนี่ยกินแล้วมันเกิดโลภะหรือเกินโสมนัสเนี่ยก็ไม่ควรเสพเอาละจีแต่นี้แล้เสพทุกวันไหมเพราะ พอพอรับประทานอาหารปุ๊บพอโลภะมันเกิดนั่นเรียกยังไงเดินบาปอกุศลธระมลามกที่เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าในขณะ น, นี้มันจะเหมือนกับมีดเหมือนกับปังตอที่มันจะฟันหัวข้าพเจ้าในนาโคตที่อย่างงี้ไหมคิดอย่างนี้ตลอดไหมไม่คิดเลยนะมันเหมือนห อ, อกเหมือนเหลาเรื่องต่างๆที่มันจะทิ่มแทงข้าพเจ้านะถ้าเอางี้ ย่อมมงคนกินไปขนาดที่โลภะเกิดกูชื่นใจมากจุดติจิตเกิดในขณะนั้นวนไปไหนดีอาบายทุกตีวินิบาดนะลกพระเจ้าเห็นโทษตรงนี้แหละจึงให้สำรวมทางทวารลิ้นเป็นต้นหรืออัทยาสัยที่สั่งสมอย่างนั้นเนี่ยด้วยอัอทยาสัยก็ยังเคยบอกไงสัตว์บางพวกเนียติดติดรสอาหารมากต้องปรุงต้องแตง่งต้องอะไรกันสารพัดหมดนัน ทุกวันนี้ยิง่งโอชารสแยะ่ๆมันโฆษณาเต็ไมไปหมดนเนาะนี่ทำยังไงก็มันเป็นอย่างนี้หมดเลยวิปปิลิศมันนัสิการกันหมดเลยมีร้านอาหารสักร้านไหมบอกว่าท่านทั้งหลายก่อนที่จะกินอาหารได้ให้ขันท่าวายังประจวบกันก่อนนี่ปฏิสังขายโยนิโสบินทบาดังมีไหมไ ม, มันย่างนี้รล้ใช่ไหมมีจะทําอะไรให้อร่อยก็เชิญชวนมันมีรสชาติมากเอาเลยใครคิดไหม ว่าโอ้ยปลาอย่างดีหมูอย่างดีเนื้ออย่างดีเป็ดอย่างดีไก่ยอย่างดีเราเคยคิดไหมว่าท่านคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยคิดไหมย่มมงคลเคยคิดไหมว่าปลาตัวนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าพิจารณาจะเห็นเหมืนอนบางทีเราไปโกรธมันถ้าอาตมาจะไปเกิดความโกรธดวงอาตมาจะนึ ก, กว่าทาไมเดละคุณขนาดนั้น ในสังสารวัตที่ผ่านมาท่านผู้นี้เคยอุ้มท้องเราก้าเดือนสิบเดือนเคยประคับประงมเรามาอย่างดีเพียงเรื่องนิดๆหน่อยๆแค่นี้เราก็มาโกรธการกระทำของเธอไม่สมบรูรณ์เลยในการที่เป็นสมณะสากยะบุตรของพระผู้เมียางมันก็ต้องคิดอย่างเงี้ยเขาจะย้ายว่าเพราะสังสารวัตที่มันไม่เคยเกี่ยวข้องกันไหมมีใช่ไหมประเที่เราจะบริโภคอาหารเป็นเ ด, ด, ด ในสังสารวัตรเนื้อของท่านที่เรากําลังกินอยู่เนี่เคยเกี่ยวข้องกับเราหลายฐานนะแต่ในในปัจจุบันนี้ที่เราต้องเกี่ยวข้องในการที่จะต้องกินเนี่ยเพื่อ ย, ยังชีพยังร่างกายต่างๆนี่มันเป็นไปเนี่ยเพื่อจะขัดเกลีรีบขัดเกลีวต่อไปจะได้มัมากินเนื้อท่านอีกแล้วถ้าไม่กินมันอยู่ไม่ได้เนี่ยโทษของสังสารวัตรเกิดมามันจะต้องเกี่ยวข้องตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าไปหลีกเลี่ยงที่จะเสแสร้งจะไม่กินไม่กินไม่ใช่ แต่เรากินแล้ต้องพิจารณาต้องให้ปัญญาเกิดแล้วก็เกิดจากการวิจัยก็โพธพาที่พึงรู้แจ้งโดยกายกานันในลักษณะอย่างนั้นที่เรากระทบเย็นร้อนหนึ่งต่างเหล่านี้ก็คือในที่ราคาโทสามมหามันเกิดก็ไม่พึงเสพแล้วก็ให้พึงเสพเป็นไปที่เป็นไปกับผู้สนเนาะเมื่อบุคคลเสพทำที่พึงเสพรู้แจ้งเห็นปานนั้นอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมก็เสื่อมเนะาะทำที่จะพึงรู้แจ้งโดยใจเห็นปานนั้นก็ไม่ควรเสพเมื่อ บุคคลเสพทำทจะพึงรู้แจ้งโดยใจเห็นปนานใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรมเริญขึ้นทำที่จะพึงรู้แจ้งเห็นปานนั้นควรเสพเี่ยนะาแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ทราบความแห่างาษีที่ตรัสไว้โดยยอดนี้ให้พิสดารอย่างอย่างนี้ในข้อนี้ข้าพระองค์ข้าพ้นความสงสัยแล้ปราศจากถ้อยคำที่พูดว่าอย่างไรแล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ์ในสำนักของพระบรมศาสดาลและเป็นต้น ตมนี้พระบรมพระพุทธเจ้าก็กล่าวในเรื่องของอินเดียสังวรนะในอินทีสังวรเพื่อการปิดปิดในที่นั่นคือปิดบาปนะบางแห่งท่านไปแปลว่าปิดอินทรีย์ก็ได้นะปิดอินทรีย์ก็คือปิดปัดจจัยที่จะทําให้เกิดบาปเพื่อคือเพื่อคุ้มครองทวารเพื่อความระแวดระวังทวารไว้สําหรับในการทรงแก้แก้ภวกะ แก้ปัญหาขเท้าสา ก, ก่าพระบรมศาสดากระตได้รูปที่พึงรู้แจ้งโดยจัดสูนเนี่ยจกขูวินยออยังรูปังอะ่ะเพื่อแสดงการสํารวมอีสีด้วยหน้าถึงรูปที่พึงเสพเป็นต้นนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์นั่นแหละเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรอย่างนี้แล้วคันพระเจ้าได้ตรัดแล้วท้าสา ก, ก่าจอมเทพก็ทรงเกิดปฏิพานขึ้นมาเลยแม้อย่างนี้ก็ต้องเป็นด้วยลักษณะการ ด้วยแบบเดียวกันก็คือแก้ปัญหา ท, าทันทีก็สมานะเป็นต้นเกิดขึ้นเลยท่านก็คิดเลยเพราะท่านฟังมาก่อนใช่ไหมท่านฟังเกี่ยวในเรื่องของเวทนาที่ควรเสพและเวทนาที่ไม่ควรเสพกุศลธรรมเจริญแล้วกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเสื่อมแล้วกุศลธรรมเจริญเป็ต้นเหล่าเนี้ยท่านก็เลยแสดงตามแนวนั้นท่านมีปฏิภาวัดีเลยเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องเป็นไปในแนวนี้เนีเพราะท่านได้บรรลุแล้วใช่ไหมเพราะท่านข้าข้ามพ้นความสงสัยเป็นต้นแล้ว เป็นเรื่องที่ทรงได้ฟังมาแล้วในหุนหลังจริงได้ทรงกราบทูลพระเจ้าตัดวิมั ส, สโคหั่งบันเดพระเจ้าข้าท้าพระองค์นั้นน่ยพึงทราบพาสิทธ์ของพระบรมศาสดานะก็แม้พระเจ้าประทานโอกาสแก่เท้าเธอก็ทรงนิ่งพระเจ้าก็ทรงนิ่งเลยนิ่งให้เท้าสกัดแสดงทำคือกล่าวความจริงแล้วในผู้ที่ชอบพูดแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์ได้หรือผู้ที่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์ได้แต่ไม่ชอบพูดเนี่ย คนแบบนี้พุทธเจ้าไม่ทรงประทานโอกาสนะคนบางคนเนี่ยชอบพูดแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์บางคนเนี่ยชอบที่จะพูดชอบที่จะสอนใช่ไหมมหาแต่ประโยชน์ตัวเองไม่ได้เลยทําเหมือนพัดลมเนี่ยนะทำตัวเหมือนพัดลมเนี่ยเ่าคนอื่นเย็นกนลัวร้อนเนี่ยนะชอบสอนย่างคนอื่น น, นะเจอลูกเจอหลานจับนั่งสอนบทลืมสอนอยู่คนเดียวหรือตัวเองเนี่ยนะเคยเป็นไหม ยอมเป็นบ่อยไหมไม่เป็นเนาะไม่มีไม่ไมีลูกหลานไม่อยู่แล้วมันหนีไปหมดแล้วมไม่มีใครสอนแล้วเลยไม่ได้สอนก็นแต่คนบางคนเป็นงั้นจริงๆนะชอบสอนจริงๆยอมเป็นไหมมีใครเป็นไเออพเิอมทีลืมฐานนะเนี่สอนพ่อสอนแม่ตรงนี้เยจับแม่มาสอนเลงแม่เออเออแม่มม่รู้จะพูดยังไงนะแม่ก็แก่แล้วก็ต้องใช้เงินท้องลูกด้วย มาเข้า เ, าเงินมาให้พบกมันติต่อไปหัดประหยัดเดี๋ยนีก็เคยเห็นไหมล่ะเอามาฟองเอาตายแล้วกับหัวกับฟองกันหมดเลยยังไหมหมดค่าเลยเดี๋ยวนี้เริ่มสอนให้แม่ซะแล้วผกแม่ไม่ได้เห็นธรรมะยังไม่ยอมนอก่อาไปเอไปเลยสอนซะเลยอยังหมูเป็นไหมไม่เป็นเนาะดีแล้วจริงๆสอนนี่ว่าหมองดีนาะ อ๋ออย่างนี้ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องดีเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่บางทีไงบางทีมีเงินมีทองมาแล้วอ้าวแม่เอาเงินไปใช้แต่อย่าเที่ยวไปทําบุญทั้งหมดว่าไ อ, อ้งงเสียของไหมเสียเลยแม่กบเ จ, จ้าเจ้าไปไม่รู้ทําไงาอยู่เคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมก็ตั้งนั้นนะ่ะนะเขาบางคนนะ่ะนะท่านถึบอกว่าผู้ที่ชอบพูดแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์ พูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้สักมากเลยไม่ได้ขัดเกลาร์เลยเลยแต่พูดได้อธิบายได้แต่ตนนัวเองไม่ได้ขัดเกลาร์เลยเลยอยากจะสอนอยากจะบอกอยากจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนสมัยก่อนในนมาเนี่ยโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นอยากจะเป็นอาจารย์ก็โอ้ยสอนใหญ่ไปในชั้นเบสเตอร์อย่างนี้สอนแต่ตนนัวเองไม่ค่อยได้ขัดเกลาร์เลเท่าไหร่หรอกว่าเนียนก็แรงแรงอนะไรเนียนก็วาพระวาดเนียนเป็นต้น้มีพระธีร์ไล่อยู่ลูก ท่านชอบสอนมาตลอดเนี่ยอยู่ต่อมาก็จะชอบตำหนิคนนั้นคนนี้ไปเสร็จอยู่ต่อมาอุ้อยนั่นก็มีปัญหาเรื่องในช่องปากเนาะแต่ผู้ที่นะหรือผู้ที่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นคนชอบพูดคนแบบคนแบบนี้ก็คือพระเจ้าทั้งสองประการนี่พระเจ้าจะไม่เปิดโอกาสนะหนึ่งคนที่ชอบพูดแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จประโยชน์ได้พระองค์ก็ไม่ให้กูก็อย่างเราท่านทั้งหลายนี่ไหมมาถึงใช้ตลอดว่า คนที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยยังไม่ได้ซักมากเลยนะถ้าพูดกันตามตรงเลยนะก็ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นครูใครไดนะ้เพราะตนเองเนี่ยชอบพูดก็ไม่ได้ทําให้สําเร็จประโยชน์ก็จะยังไม่มาเนี่ยตรงนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะกล่าวพระธรรมก็กล่าวในฐานะเป็นศาธามิตรหรือเป็นกัลยาณมิซึ่งกันแลยกันไปร่วมกันขัดเกลารไปจะไปประกาศตนเองออกมาเสียหายเสียของด้วย มันกลายเป็นชอบพูดแต่ตนเองไม่ได้ประโยชน์หรือคนที่ได้ประโยชน์นะนะสำเร็จประโยชน์แต่ไม่ชอบพูดพุทธิยถาเขาจะไม่ทรงประทานโอกาสให้ส่วนท้าวสกาดนี้เพราะเป็นผู้ที่ชอบตรัสและยังสามารถทําประโยชน์คือโซดาบันเป็นต้นนี้เกิดขึ้นพระบรมศาสดา ก, ก็เลยทรงเปิดโอกาสให้อท้าวสกาเป็นปกครองเทวดาใช่ไหมต้องพูดเป็นไม้มโอ้โหต้องเป็นนักไฮฟากสั้นดี จะมาต้องพูดดีต้องพูดเป็นผู้ปกครองทั้งหลายต้องพูดเป็นแต่ท้าสกานี่แต่ก่อนก็พูดได้อย่างเดียวจะไม่ได้ประโยชน์แต่มาระยะหลังพอเท้าเธอได้เป็นพระโสดาบันท่านชอบพูดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สําเร็จประโยชน์งั้นตอนเนี้ยถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปบนชั้นเดาเดึงไปฟังเทศจะพอเท้าสกาได้สบายสบาพอเท้าเท้าเธอเป็นพระโสดาบันแล้วเท้าเธอเทศประจํามีธรรมสภานาด้วยปรารถนาไปฟั ง, งบ้างปะ นั้นถ้าจะไปไปฟังตรงนั้นไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะมีท้าวสากาเป็นเป็นเป็นราชาปกครองอยู่ใช่ไหมนูวนไปนู้นก็ได้ฉันดูสิก็ได้อันนั้นก็มีพระโพธิสัตว์อยู่นี่ก็ฟังเรื่องนี้ไงสากาปัญหาสูตรถาก็ปฏิสิทธต่อแน่นอนแน่นอนท่านเป็นอปายคามานิยะท่านละไวยภูมิในเดกขาดแล้ว เป็นอาจรโซดาโสดาปริมากเนี่ยเป็นโลกุตระนะสารณคมนะไม่เสื่อมของเราเป็นโลกิยาสารณคมเสื่อมเสื่อมในขณะจุติจิตไม่ติดอัตยาสัยแห่งการที่จะล่าลาคา่าโทรศัโมหังงเราต้องไปทําใหม่พวกเรานี้เป็นพวกที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเป็นอันนีจะตัอนิีจะตับุคคลบุคคลที่ไม่แน่นอนว่าจะขึ้นสูงก็ได้ลงต่ําก็ได้แต่เท้าเธอนั้นน่ะขึ้นสูงอย่างเดียวบรรลุแน่นอน ถ้าเธอบรรลุแ น, น่นอนแต่ตอนนี้เท่าเธอยังเป็นท่าสกาอยู่ใช่ไหมแสดงธรรมทุกวันแล้วก็ทาสกากล่าวตามพุทธพจน์เป็นเรื่องปกติไม่ใช่คือพุทธเจ้ากล่าวไปก่อนเนยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าเ ท, ท่าสกะก็มากล่าวในวันที่พระบรมศาสดาปรินิพานผู้แสดงความสังเวยให้เกิดขึ้นก็อุทานอนิจจาวตสังฆาราอุปาทวยธรรมินูอุปาชิตตวาริรุชนติเตสังโวปสโมสุโหมานึงก็ยังความสังเวยคนบรรลุกันเยอะ แคนี้เหลือเราแค่นั้นเองพระอินเป็นพระราชานั่นเองถ้าบุตรลูกก็คือพระราชาในในใ น, ในชั้นดาวดึงบางทีก็มาสอนมนุษย์อมาสอนมนุษย์บ่อยถ้าถ้าถ้าใครได้บรรลุนี่นะเท้าสก่ามาอุปถัมภ์กันดีก็ในยุคกลังทั้งทั้งที่เ ท, ท, ท, ท้าเธอเป็นมัสดาบันแล้วนะนางสุชาดาเป็นภรรยาตอนที่ว่าท่านพระมหาศิวะเทล่าไงนะที่ท่านบรรลุที่ลังกาเนี่ย ที่ท่านสอนท่านตอนนั้นเป็นท่านเป็นบุรุษชนเป็นอาจารย์ชำนาญในพระตรีวิเดกปฏิกรติการ น, นะแล้วท่านก็สอนวันละสิบแปกันนะมีลูกศิษย์เป็นพระทหารสาม0 0ื่ลูกแล้วท่านไม่เป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นได้ไงจะเป็นที่พึ่งให้กับตนเองไม่ได้นั่นแหละแล้วต่อมาลูกศิษย์ก็มาเตือนท่านก็ได้ความสเวสวตสลดใจก็ไปปฏิบัติในถ้ำเนะ่ยท่านก็คิดในใจว่าอยางท่านเองปฏิบัติสองสาวันก็ได้บรรลุแล้วในสุดเดเล่นตั้งสาสิปีสามสิปีถึงได้บรรลุ ท่นเดินจนเท้าแต่เด็กเด็กเลี้ยงควายเด็กชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยใช้ใช้ใช้เข็มใช้เข็มอะ่ะเย็บกระปอเย็บเย็กระสอบอ่ะปอเย็บกระสอบอะ่ะเย็บเท้าท่านแล้วก็มัดไม่ให้มันฉีกออกอกันนท่านไม่เคยหลังไม่เคยแตะพื้นเลยไม่เคยแตะพื้นเลย30สปีเท้าไม่เคยล้างเลยอ่ะด้วยความที่เพียรพยายามเพื่อจะให้บรรลุเท้าแตกหมด แล้วต่อมาก็ได้บรรลุลูกศิษย์ที่เป็นสามหมื่นลูกท่านก็รู้ก็พากันห่อมาเลยเพอห่อมาเสร็จก็จะไปล้างเท้าให้อาจารย์ท่านบอกคุณไม่ต้องไม่ต้องอาจารย์ไม่ไล้างเท้ามาตั้งยี่สิบตัาสิปีแล้วอาจารย์ล้างเองล้างเองเท้าสะกะได้ยินก็รีบลงมาก็ส่งนางสุชาดาเดินนำหน้าไปก่อนแล้วเท้าเธอก็บอกยมผู้หญิงมาภาคอเลยต้องหลีกทางออกหมดใช่ไหมเล่นสงภรรยามาก่อนนี่ มาถึงเบ็ดเสร็จเท้าสก า, ก, า, าสก็มามาเบ็ดเสร็จก็มามาจะมาขอล้างเท้าให้กับรพระธีระพระธีระก็บอกว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาณมาไม่ได้ล้างเท้ามาตั้งสามสิบปีแล้วกลิก่นอาณมาไม่ได้ส่งอาบน้ําเลยบอกว่าโอ้โหพา ย, ยังพระคุณเจ้าเนี่ยใครก็อย่าอุปทานกินศีลไปทวนลมอย่างเนงะี้ยกินศีลไปทวนลมคันท้าศีีรังเนะ่ยกินศีลไปทวนลมเนะี่ยเหมือนะั้น กินของศีลนะถึงว่าเท้าสกาก็จะมาอุปทานเนี่ยถ้ามีใครบรรลุดิเท้าสกาก็มาสแสดงความชื่นชมมาอุปทานเลยอ่ะบางทีเจ็บป่วยอ่ะเท้าเธอมาแล้วพระอย่างนี้ภาษาลิบุตรเป็นต้นอย่างเนี่ยเจ็บป่วยมาเลยมามบางัำพีเล่าด้วยไหนว่าอุจลราชปสวาเนี่ปกติน เ, เนี่ยเท้าเธอเนี่ยร้อยยอเหมือนเ่เหมือนเอาสุนัขเน่าผูกคอนะร่างกายของมนุษย์เนี่ยแต่พรอพระรหัสเจริญนิพพานเนี่ย ท่านโมุปทาอุจร้ปาปสวะบางกัมพีากาแก็ทูลศีษะออกไปเทให้เลยมันไ่ธรรมดานะด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยสูงสุดขยายใช่ไหมใครก็อยากอุปการละตรงนี้ในรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีเยอะนะตรงนี้ก็คือในรายละเอียดที่ท่านขยายตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่เวลายมกัดอยู่ขค ข, ข, ขยายนิดนึงนะก็คือว่าในเรื่องสํารวมอินทรีย์ต่างๆเหล่ า, า, านี้ท่านถึงบอกบอกว่าเมื่อดูรูปไดาราคะ โทสะโมหะเป็นต้นเกิดขึ้นไม่พึงเสพเห็นไหมคําว่าไม่พึงเสพนี่ท่านเอาตัวนี้เป็นประมาณคือว่าราคะโทสะโมหะเกิดแล้วอย่าไปิ่งอย่าเสพแต่เมื่อดูรูปใดแล้วสําคัญว่าไม่งามตั้งมั่นเห็นความไม่งามเกิดขึ้นเช่นเห็นรูปเห็นรูปของบุรุษหรือเห็นรูปของสตรีแล้วเกิดความรู้สึกว่าราคะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนั้นไม่ควรเสพก็วิจัยใหม่เปลี่ยนนิมิต คำว่าเปลี่ยนนิมิตนั้นบางทีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอารมณ์นะก็วิจัยนิมิตนั้นแนหะวิจัยอารมณ์นั้นแหละเอาที่เราไปยินดีไปเพื่อเกินเนี่ยสมมุติเราไปยินดีสีนี้นะเราก็มาวิจัยแต่สีนี้เกิดจากอะไรเนี่ยก็จะ ก, กรรมจิตตัวตัวฐารประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับเป็นต้นอลไรเนี่ยนะแล้วในนั้นมีดีเสเลดหนองเลือดเหงื่อเป็นต้นเอะเราทําไมมายินดีกับสรีระที่เน่าเปื่อยนี่เร่า ก็วิจัยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความไม่งามก็ตั้งมั่นพอความไม่งามตั้งมั่นนึกถึงคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดานี่ยเองเกิดความเลื่อมใสขึ้นหรือการกลับไปได้ซึ่งความสําคัญว่าไม่เที่ยงซึ่งรูปนั้นแตดาษวิจัยด้วยความไม่เที่ยงเพราะปัจจัยไม่เที่ยงเช่นว่าโอ้ยบุคคลเหล่านี้เขากําลังเกิดความยินดีดเกิดความเพลิดเพลินอ๋อรูปที่เกิดขึ้นเพราะนางกําลังหัวเราะล่าเริงเนห็น ไ, ไหมที่พระเถร่าเห็นนางหัวเราะบ้าง หรือผู้หญิงไปเห็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาเน้นๆว่าเขาหัวเลาะล่าเลิงบ้างโอ้นีโลบอกว่ารูปที่เกิดขึ้นจากราคะเนี่ยดูเหมือนล่าเริงแจ่มใสแต่ราคะก็มีเที่ยงนีพราะราคะดับไปรูปที่ล่าเริงแจ่มใสก็หายไปเดี๋ยวก็โทสะเกิดขึ้นรูปที่เกิดจากโทสะก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็โมหะเกิดขึ้นรูปที่เกิดจากโมหะก็เกิดขึ้นเดี๋ยวกุศลจิตเกิดขึ้นรูปที่เกิดจากกุศลก็เกิดขึ้นรูปนั้นมีความไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของรูปไม่เที่ยง รูปมีความเป็นทุกข์เพราะปัจจัยของรูปเป็นทุกข์รูปมีความเป็นอนัตตาเพราะหาสาระของความงามเป็นต้นไม่ได้ก็พิจารณาวิจัยอย่างเงี้ยก็เห็นนความไม่งามมิ้นความไม่เทียมมิ้ความเป็นทุกข์เข็งความเป็นอนัตตาอย่างเงี้พึ่งเสพพึ่งเสพตึกบ่อยๆใครคนบ่อยงยี่เห็นไหมแบบเนี้ยมองออกไหมคิดได้ไห้ถ้าคิดแบบนี้ถ้าฟังเสียงที่มีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตก็เกิดราคะนี้ะโอ้เสียงบางอย่างนี่อักษรวิจิตรใช่ไหมมีพยัญชนะวิจิตรใช่ไหม โอยบางทีมันคําพูดในปัจจุบันเนี่ยเป็นคําพูดเป็นคําพูดโกหกอะแต่ฟังดูเพราะเหมือนคําพูดที่บอกโอ้โหคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกว่างันโนะดยสํานวนกล้วนะจริงๆว่าเป็นไปได้ไหมโดยข้อเท็จจริงไไใช่ไหมไม่ทํำกิดอย่างอื่นเลยได้ไงไม่ย้อนถามใช่ไห ม, <laughs> ไหมแต่มันคําพูดอย่างเงี้ยคําพูดโกหกอย่างเงี้ยโอยคนคนชอบนะเพราะมันอักษรวิจิตรพยัญชนะวิจิตร บางทีก็มีสำนวนอะไรเยอะแยะหมดนะ่ะถ้าไปดูคำพูดในสมัยปัจจุบันเนี่แล้วนะที่จะหลอกคนโง่เยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็ทำให้ติดกันไปแท้หมดแล้วเสียงอะไรต่างวิจิตเอามาก็ตอนไปพักหนิงเทพมาไปแสดงกรรมตอนให้พักมูลิติเดืนั่นไปนี่ตอนเย็นกลับมาที่ต้องผ่านยอมที่ครับรถเก็ชี้ดูเนี่ยถ้าตอนกลางคืนในหน้าจั น, น, น, าานรถนี่จะจอดประมาณสามสี่กิโล แท็กซี่มาส่งบวกวัยรุ่นเนี่ยเข้าในบาน์ในขับเต็มไปหมดตรงนั้โอ้ยมัคนละมุมแล้วกลางวันนี่เงียบไม่มีคนนี่นะกลาคืนก็แตมไปหมดเหมือนมาแรงเมาบินเข้ลกรงไปคนงงเมามันงอกแงกวางกว่ไหนไม่รู้เรื่องรู้แล้วสารพัดเทั้งหญิงทั้งชายเลยไปกันมั่วบนนี้นะนี่ไงมันติดเสียงบ้างติดรูปบ้างติดกลิ่นบ้างติดรถบ้างนี่ต่างงมัวเมาในประเทศเราเป็นก็มอมเมาตอนนี้เด็กก็เลย ขาดกัญญามันเสพติดกันอยู่อ่างนี้นะแล้วก็แลก็คนเป็นเลื่อนหมื่นนะแต่ละคืนแต่คืนคนเป็นหมื่นนะยาวเป็นกิจกรรมที่ขายดีที่สุดเนะเป็นกิจกรรมที่ขายดีที่สุดก็เป็นกันอย่างานีน้โรงแานไอพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่ที่ต่างๆงก็ส่งโรคไเรีสอยู่นั้นนะอยูกับปายกันอยู่เงนี้ยนะนี่ไงโทษของการเสพใช่ไหมเสพแล้วทําให้ราคาตัวสามองจังยกตัวอย่างเช่นนะว่ายอมยอมสุวรรณหง เห็นดอกไม้แล้วเกิดราคาเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเลยก็พิจารณาดอกไม้ใหม่พิจารณาดอกไม้นั่นแหละว่าดอกไม้ยินจังหรอเนี่ยเออมันไม่งามมันเกิดจากปัจจัยที่ไม่งามมันจะไปงามได้ยังไงใช่ไหมดอกไม้ที่ปลูกนั้นเอาที่เป็ดขี้ไก่ต่างๆไปสใส่มันกินเนี่ยมันก็ดูดซึมมาของที่ไม่สะอาดทั้งหลายเข้ามาเนี่ยแต่พอมันออกหลากสีอย่างนี้แบบเสร็จโอ้โหไปยินดีในความงามเป็นต้นได้แล้ว ปุ๋ยต่างๆที่ใส่ลงไปนะั้นต้องใส่อยู่เสมอแล้วปุ๋ยหมดเมื่อไหร่นั้นดอกไม้ก็ร่วงนั้นส่วนหนึ่งตัวปุ๋ยเขายังไม่เที่ยงและดอกไม้อย่าเที่ยงได้ที่ไหนและอย่างปัจจัยที่จะทําให้ดอกไม้ ร, ร, ร, รั่วหลุดร่วมมีอุตุก็ได้ความเย็นความร้อนอากาศก็ได้เป็นต้นเหล่าเนี้ยอาหารก็ได้อากาศก็ได้เป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้านนอาศัยปัจจัยเป็นใจเมื่อปัจจัยอากาศเปลี่ยนแปลงอดอกไม้ก็เปลี่ยนแปลง ปัจจัยยังไม่เที่ยงแล้วตัวดอกไม้จะเที่ยงได้อย่างไรปัจจัยเป็นทุกดอกไม้ก็เป็นทุกใช่ไหมปัจจัยเป็นอนัตตาก็ไม่ควรยึดถือว่างามว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอัตตาว่าเป็นเราเป็นของเราวิจัยอย่างเงี้ยทั้งๆแต่แต่เดิมเน่ยเป็นปัจจัยเกิดราคะพรวิจัยเป็นบสเ็จเป็นปัจจัยเกิดอัญญาแล้วก็เกิดเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากขึ้นโอ้พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่จริงแท้ไม่ใบี่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาด้วยนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเปลี่ยนนิมิต ใหม่ๆคือสุภาพนิมิตรปรากฏก็เปลี่ยนเป็นอสุภานิมิตซะเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์มองไม่ได้อุย้ยมองนี่เรางามปุ๊บเนี่ยโยเปมองสิ่งอื่นดีกว่าไม่ใช่ที่ไหนไม่มีดอกไม้ไปไหนดอกไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะที่ไหนไม่มีหน้าคนหน้าคนเต็มไปหมดแต่หน้าคนที่เรียกว่าหน้าคนหน้าคนนั้นมาจากปัจจัยอะไรก็พิจารณาอยู่นะันเข้าใจยังสงควรเยาวลายยังสงควแล้วนะ